ขี้เกียจท่องบนขี้เกียจสวดมนุ์ขี้เกียจภาวนาตายฟรีตายฟรีเดสฟรีตายฟรีฟรีกินแล้วนอนกอล้นินกินแล้วนอนกล้นินตายฟรีฟรี เห็นไมเขาตายในเวนลาหนึ่งเวลาสองนะความตายมาถึงก็หมดโอกาสแล้วนอกจากความตายมาถึงแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันมาเยยนแล้วเป็นยังไงทาอะไรกับเมืองก็จะหลุดจะร่วงไปล่ะหัวจะร่วงแขนก็จะร่วงขาเอว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 ไปโผล่ที่ไหนคือกองทุกเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราตั้งอยู่กองทุกตั้งอยู่แปรปรวนไปดับไปอีกตายไปอีกกองทุกก็ดับไปอีกเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเวลาเราทุกข์เร่าร้อนเต็มที่ในหัวใจของเราเราดูเถอะมันน่าเข็ดหน้าหลาบไหมเรารำพึงลำพันถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นเหตุให้เราไม่นิ่งนอนใจไม่ตายใจกับกองสังขารกองนี้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 อพอเวลาเกิดความผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มาทับถมโจมตีหัวใจของเรามันก็มีกันอยู่กันแค่นี้มีอยู่แค่นี้เองมีอยู่กับความรุ่มหลงของเราเนี่หลงกองสังขารกองนี้เราจะศึกษาเราจะคี่พิจารณาเราจะคลี่คลายยังไงนะมันถึงจะเห็นลักษณะของอนิจจังของสังขารลักษณะของทุกขังของสังขาร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 ภัยไข้เจ็บขึ้นมาพับอันนั้นก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เปลี่ยนไปร่างกายเคยร่างกายเคยอยู่สุขสบายเบาสบายปลอดโปร่งเยือกเย็นกลับเป็นร้าร้อนกลับเป็นกระวนกระวายกลับเป็นหิวกลับเป็นกระหายกลับเป็นหายใจไม่สะดวกกลับเป็นถายหนักไม่สะดวกถ่ายเบาไม่สะดวกสารพัดแล้วแต่มันจะมีและวแต่มันจะเป็นหวางให้มันเป็นอย่างอื่น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 บังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามใจเราหวังได้หลงหลงหลงยดึดหลงติดคิดว่ามันจะเป็นไปตามใจที่เราหวังอุสานึกว่าอย่าให้เป็นอย่างนี้อุสานึกว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นอุสานึกอย่าให้เป็นอย่างนี้สมใจหวังสักนึกไหมหละ่ะนึกยังไงก็ไม่สมใจสักนึกเลยนึกให้ได้มาก็ Piet ไม่ได้นึกให้ชิบหายอันตราฐานไปมันก็ไม่ชิบหาย ดึงเข้ามามันก็ไม่มาผลักออกไปมันก็ไม่ไปก็เหมือนอย่างเรานึกเฉยๆสมบูรณเรามีก้อนหินอยู่ข้างหน้าเรานะเรานึกนึกให้มันโผล่ขึ้นมานึกให้มันกลิ้งเข้ามานึกให้มันกลิ้งออกไปนึกไปสินึกจากนี้ไปยนต์ายมันก็กลิ้งข้ามาไม่ได้มันก็กลิ้งออกไปไม่ได้เพราะมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมัอนอถ้ามีแรงไปผลัก พระไอ้กลิ้งเข้ามานี่มันก็มาได้พระไอ้กลิง้งกลิ้งออกไปมันก็ไปได้อืมแต่ด้วยเรี่ยวแรงที่เรานึกเราคิดนี่จะเป็นไปตามใจที่เรานึกเราคิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้พระฉะนพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงจึงแสดงในอนัตตารักนัสูตรอืสูตรที่พูดถึงเรื่องอนัตตาอนัตตาเนี่อะะปรารถนาอย่างอย่างใดไม่เป็นไปตามใจหวัง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 ปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีพิจารณาทุกบททุกบาทที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแ ส, สดงจิตก็เข้าถึงความมีมุติเข้าถึงความหลุดเข้าถึงความพ้นท่านฟังไปด้วยขณะของจิตก็ขยับภูมิธทำตา ม, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าเปิดให้เปิดให้พระพุเจ้าขยับเข้าขยับเข้าขยับเข้าขยับเข้าขยับเข้าขยเข้าแล้วท่านได้พื้นเพได้ชรินิสยัยแล้วท่านเป็นพระโสดาบันแล้วพอจบอนัตตลกนณสูตร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 มันก็พลอยกระจายหายระเหยออกไปจากหัวใ จ, ห, ใจหมดสิน้นผลทุกผลโทษโดยประการทั้งปวงตราบนั้นกองสังขารที่มีอวิชชาที่เป็นตัวกองสังขารก็หมดไปเหลือแต่ผู้รู้ถารู้ที่บริสุทธิ์นี่เราพูดตามธรรมะที่พระคุบชายา์และพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดง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 ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตดูความหลงของจิตดูกิริยาที่มันเกิดภายในจิตดูความอยากที่จะมันจะแสดงบทบาทออกมาที่จิตนะผู้ที่จะแสดงบทบาทออกมาที่จิตของเราตราบที่เรายังมันยังมีอยู่ก็คือเจ้าตันหานนี่แหละมันแสดงออกมาแสดงบทบาทในจิตของเราเนะทำไมเราจึงรู้ไม่ทัน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 ใช้เราให้ทําอย่างนั้นใช้เราให้ทําอย่างนีน้จิตของเรามันโง่มันไม่เฉลาดมันก็เดินตามหลังมันต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยต่ยไม่มีที่จบไม่มีจุดจบลหองเคลิมไปไม่รู้ว่าอะไรคือมิตรอะไรคือศัตรูเห็นเป็นมิตรทั้งหมดเห็นเป็นมหามิตรทั้งหมดทั้งๆ ท, ท, ที่นั่นคือมหาศัตรูศัตรูตัวที่ร้ายกาศเราดูไม่ออกเราเข้าใจไม่ได้ร้ายกาศตัวนี้ร้ายกาศมาก ความสงบที่เราตั้งใจภาวนาะจิตได้รับความสงบจิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวจะเริ่มมีความนึกความคิดแปลกๆขึ้นมาจิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวปัญญาที่จะพึงมองเห็นสัตว์จะหยับหยาบมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมันก็จะเริ่มมีขึ้นทําให้ชัดเจนกับอารมณ์นั้นทําให้ชัดเจนกับอารมณ์นี้นีนนน่คือจิตที่อยู่จิตที่สงบ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 ไม่มีไม่มีหยุดยั้งอยู่กับที่มันพาไปนน้นมันพาไปนี่มันพาคิดวุ่นคิดว่นหมดทั้งโลกเลยเนี่ยคิดสารพัดอย่างอิสระเสรีแล้วแต่มันจะพานึกพาคิดชั่วช้า ล, ลามกหยาบคายเผ็ดแสบทารุนขนาดไหนมันพาเรานึกมันพาเราคิดไปหมดเลยมันไม่เคยมีขอบมีเขตมีประมาณน้ําในมหาสมุทรยังมันยังมีขอบมีเขตมีประมาณ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 เมื่อมีความสว่างในตัวมันก็เกิดเงาเกิดความสว่างเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความผ่องใสสิ่งเหล่านั้นมันหักตามอยู่รอบข้างตัวเราเราก็คอยพิจารณาตามต้นไปอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่คือการจําระขัดเราปฏิบัติจิตของเราให้ได้รับความสงบให้ได้รับความสุ ข, ใ ห, สขให้รู้เหตุ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 ก็เราอะไรเป็นผู้ทํางานจิตอะไรเป็นผู้ทํางานตาอะไรเป็นผู้เห็น <c oughs> เห็นรูปจิตเป็นผู้ทํางานหลงยึดในรูปรูปที่ดีรูปที่เหมาะรูปที่ถูกก็ดึงเข้ามารูปที่ไม่ถูกไม่ถูกจิตไม่ถูกนิสัยไม่ถูกไม่ไม่เหมาะไม่ชอบใจก็ผลักออกไปทีบ อ, อกไปมันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละโอกาสที่จะเห็นตามหลักความเป็นจริงมันเห็นไม่ได้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 นี่สิ่งนี้สิ่งเป็นที่เป็นพิษเป็นพายอยู่ในหัวใจของเราเราทอดทิ้งทั้งทง ท, งที่เรารู้รู้อยู่มันก็เสียเวลาเวลาเสียโอกาสเหมือนอย่างที่ว่านแหละที่เกียดภาวนาที่เกียรติฝึกฝนที่เกียดอบรมที่เกียรติท่องบนสวดมนต์ภาวนาห น, น, นักเข้ามันไม่ได้ชำระจิตดวงนี้ให้เกิด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 สัตว์ป่ามันไม่เชื่องชิงกับไม่เชื่องชินกับคนไม่เชื่องเชื่องชินกับนายพรานพอขยับเข้ามาแล้วแตกคือหมดขยับเข้ามาก็แตกคือหมดเราต้องทําตัวแบบนั้นเวลาหมู่เพื่อนขยับเข้ามาก็เหมือนนายพรานขยับเข้ามาแตกคือหมดไม่ใช่เชื่องชินไปไว้เชื่องชินไปกันนายพรานกับปอกปอกตายปอกปอกตายพอเข้าหากันปับ เมื่อก็ถูกแล้วถูกแล้วปอกๆแล้วปอกๆล้วเดินออกจากกันไม่ได้แล้วปอกๆละตายเสียดายเวลาทิ้งเวลาเวลาเป็นเวลาเสียเวลาไปฟรีๆต้องทำตัวแบบไม่เชื่องไม่ชินไม่จำเป็นพูดเราก็ไม่พูดไม่จำเป็นคุยแล้วก็ไม่คุยไม่มีเรื่องจำเป็นแล้ก็ไม่พูดไม่คุยเสียเวลา นะหามุมสงบเพื่อสะสมสิ่งที่เป็นมรดกอันล้ำค่าคือคุณธรรมที่จะพึงให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในหัวใจของเราอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญวันคืนล่วงไปไม่มีสายความพีจิตรขีคลานเท่านั้นอ่ะที่จะทำให้เราเห็นว่าไม่เหมาะแล้วไม่มีโอกาสแล้วไม่มีเวลาแล้วสายแล้วค้ำแล้ว มืดแล้วสว่างแล้วมันคอยกระซิบกะระซาบบอกเพื่อที่จะหลบเพื่อที่จะหลีกเพื่อที่จะเลี่ยงช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนลุกขึ้นมาจ่อเข้ามาที่หัวใจของเราช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนจ่อขึ้นมาที่หัวใจของเร า, ระะ า, เ, ราเราจ่อขึ้นมามันก็เป็นการกระตุกมันเป็นการปลกุกมันเป็นการเตือนให้จิตเราตื่นให้จิตเราขึ้นลุกขึ้นเพื่อทำงานทำการเดินทาความรู้สึกอยู่กับเดิน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 ข้างนอกทำนู่นบ้างทำนี้บ้างทำอะไรบ้างทำก็หนดจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวกับเรื่องเดียวมันก็ไม่เสียอะไรมันมันก็เป็นการเครื่องปลุกให้เราตื่นให้เราอุตสาหพยายามให้เราขยันมันเพียรสร้างนิสัยแห่งความอุตสาหพยายามความขยันมันเพียรนี่เราสร้างนิสัยเราก็ต้องสร้างอย่างนี้เอาประโยชน์จากการที่เราภากเราเพียรเวลาเราไปตั้งใจกำหนดจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียว มันก็ได้ผลได้ผลได้ช่องได้ทางได้แบบอย่างทุกอย่างสำเร็จจากการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งนั้นแหละเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบรรยากาศที่เหมาะเราเสียดายาเวลาเวลากลางคืนมีเวลาก็เดินจงกรม <c oughs> เดินมาก <c oughs> เดินนอ้อเดินให้เต็มกำลัง <c oughs> เดินจนเหน็ดเหนื่อยทุกขึ้นไป กุฏิก็ไปภาวนาภาวนาจนเห น, น็ดเหนื่อยเมื่อไปแล้วก็เฮ้ยถึงกุฏิแล้วกึมตื่นขึ้นมาอีกนะได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงชาวโลกเขาทําหากินแล้วได้ยินเสียงนกมันเชี่ยวแจ้วเี่ยวแจ้วหละนกหากินแล้วนอนด้วยความหลุมล่มหลง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 พิจารณาคำนังคำนวณสิ่งเหล่านี้ให้มากมเราเนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราอัตหิอั ต, ต, อ ต, ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนลูกเองตื่นเองเตือนเองระมัดระวางเองสำรวมเองอะไรเองบริโภคเองอิ่มเองตั้งใจปฏิบัติขัดเราได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเอง